ขตะสูตรว่าด้วยม้อข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขโครงสาวัตสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคลานะอยู่ในวิหารหลังเดียวกันในพระเวลวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขโครงราชครื ครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับท่านพระมหาโมคคลานะแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหาโมคลานะดังนี้ว่าท่านโมคลานะอินทรีย์ของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักผิวหน้าของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่อง เชรอยวันนี้ท่านจะอยู่ด้วยวิหารธรรมอันละเอียดท่านผู้มีอายุวันนี้ผมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันหยาบแต่ผมได้มีการสนทนาธรรมท่านได้สนทนาธรรมกับใครผมได้สนทนาธรรมกับพระผู้มีพระภาคเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขครูสาวถีไกลนะับ ท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยฤทธิ์หรือหรือว่าพระองค์เสด็จมาหาท่านด้วยฤทธิ์ผมไม่ได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยฤทธิ์แม้พระองค์ก็ไม่ได้เสด็จมาหาผมด้วยฤทธิ์แต่ผมมีตาทิพย์และหูทิพย์อันหมดจดเท่าพระผู้มีพระภาคแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีที่ประจักขุและที่ประโสตธาตุอันหมดจดเท่าผม ท่านได้สนทนาธรรมกับพระผู้มีพระภาคว่าอย่างไรผมได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าผู้ปรารบความเพียรผู้ปรารบความเพียรด้วยเหตุเท่าไรหนอภิิษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรเมื <ME> ่อ ER ผมทูลถามอย่างนี้แม้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับผมว่าโมคลานะ ภิกษุในธรรมวินนยนี้เป็นผู้ปรารุกความเพียรอยู่ด้วยตั้งสัตยาที่ฐานว่าเนื้อและเลือดในร่างกายจงเหือดแห้งไปจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเถิดผลอันใดพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบรุษด้วยความเพียรของบรุษด้วยความบากบั่นของบรุษถ้าไม่บรรลุผลนั้นแล้วก็จะไม่หยุดความเพียรภิกษุชื่อว่า เป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นอย่างนี้ผมได้สนทนาธรรมกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้เปรียบเหมือนก้อนหินเล็กๆที่บุคคลเอาไปวางเทียบกับขุนเขาหิมพานชั้นใดผมเมื่อเปรียบเทียบกับท่านก็้อนนั้นแท้จริงท่านเป็นผู้มีฤิษทานุภาพมากเมื่อปรารถนาพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับแลท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนก้อนเกลือเล็กๆ ที่บุคคลเอาไปวางเทียบกับหม้อเกลือใหญ่ชั้นใดผมเมื่อเปรียบเทียบกับท่านก็ชั้นนั้นแท้จริงท่านเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงชมเชยสรรเสริญยกย่องโดยอเนกปริยายเป็นต้นว่าภิกษุผู้ถึงฝั่งพระนิพพานผู้ยอดเยี่ยมด้วยปัญญาศีลและอุปสมะคือสารีบุตรนี้แหละพระมหาเถระผู้ประเสริฐทั้งสองนั้น เพลิดเพลินคําสนทนาที่เป็นสุภาษิตของกันและกันด้วยประกาชะะนิคตะสูตรที่สจบ 4. นวสูตรว่าด้วยผู้ใหม่ พระพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเข ค, ครงสาวัตสมัยนั้นภิกษุนวกะรูปหนึ่งกลับจากบินตบาทหลังจากฉันเสร็จเข้าไปยังวิหารมีความขนขวายน้อยนิ่งเฉยอยู่ไม่ช่วยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลาทาจีวรครั้งนั้น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 ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงไปบอกภิกษุนั้นตามคําของเราว่าผู้มีอายุพระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วเข้าไปหาภิกษุนั้นได้กล่าวว่าผู้มีอายุพระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้า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 แม้ข้าพระองค์ก็ทํากิจของตนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรู้ความคิดปริวิตรกทางจิตของภิกษุนั้นจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าโทษภิกษุนี้เลยภิกษุนี้มีปกติได้ฌานสี่อันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่อาศัยอธิจิตตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก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 ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุนี้งามด้วยใจที่ซื่อตรงเป็นผู้หลุดพ้นพรากได้แล้วดับแล้วเพราะไม่ถือมั่นชนะมารพร้อมทั้งกองทัพได้แล้วทรงไวซึ่งอัตภาพสุดท้าย สุชาตะสูตรที่ห้าจบ 6. ละกุณตกะพัทธิยสูตรว่าด้วยพระละกุณตะพัทธิยะเครือพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้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 เธอทั้งหลายเห็นภิกษุผู้มีผิวพรรณไม่งามไม่น่าดูเตี้ยเป็นผู้ถูกภิกษุทั้งหลายดูแคลนที่กาลังเดินมานั้นหรือเห็นพระพุทธเจ้าข่าภิกษุนั้นมีฤทธานุภาพมากอันหนึ่งสมาบัติที่เธอไม่เคยเข้าเธอก็เข้าได้โดยง่ายและเธอได้ทําให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์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 ความสมดุลการทางกายไม่มีชั้นใดบรรดาหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นถ้าคนหนุ่มมีปัญญาเขาก็ย่อมเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์นั้นไม่เหมือนคนพานซึ่งถือกายเป็นใหญ่แล้วคุณตกะพัทยสูตรที่หจบ วิสาขาสูตรว่าด้วยพระวิสาขะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคาันสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นท่านพระวิสาขปัญจาละบุตรได้ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในศาลาเป็นที่บำรุงเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจให้อาหารแกล้ากลาปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกาถาประกอบด้วยวาจาไพเราะสละสลวยปราศจากโทษนับเนื่องเข้าในวาจาที่ให้เข้าใจเนื้อความไม่อิงอาศัยครันในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังศาลาเป็นที่บำรุงประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครหนอได้ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในศาลาเป็นที่บำรุงเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้ า, ลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาประกอบด้วยวาจาไพเราะสละสลวยปราศจากโทษนับเนื่องเข้าในวาจาที่ให้เข้าใจเนื้อความไม่อิงอาศัย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระวิสาขะปัญจา ร, รบุตรได้ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายในศาลาเป็นที่บำรุงเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหานแกล้วกล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกาถาประกอบด้วยวาจาไพเราะสละสลวยปราศจากโทษนับเนื่องเข้าในวาจาที่ให้เข้าใจเนื้อความไม่อิงอาศัย ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระวิสาขะปัญจารบาุตรมาตรัสว่าดีละดีละวิสาขะเธอได้ชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดละถึงด้วยธรรมมีคาถานับเนื่องเข้าในวาจาที่ให้เข้าใจเนื้อความไม่อิงอาศัยดีนักแลพระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาครั้นตรัสเวยากรณาาสิณนี้แล จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าชนทั้งหลายจะไม่รู้จักคนผู้ไม่พูดว่ามีเชื้อเป็นพานหรือเป็นบัณฑิตแต่ย่อมรู้จักคนผู้พูดผู้แสดงอมตะ บ, บทบุคคลพึงกล่าวทำพึงยังทำให้โชษช่วงถือเอาธงชัยของฤาษีฤาษีทั้งหลายมีสุภาษิตเป็นธงชัยทำนั่นแหละเป็นธงชัยของฤาษี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 อารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเขครุงสาวถีครั้งนั้นท่านพระนันทะผู้เป็นโอรสของพระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาคห่มจีวรที่ทุบแล้วทุบอีกหยอดในตาและถือบาดมีสีกา ว, วาวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งนาที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่านันทะ ข้อที่เธอห่มจีวรที่ทุบแล้วทุบอีกหยอดในตาและถือบาทมีสีกราววาวไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรซึ่งออกจากเรือนบวชเป็นเบรปิชิตด้วยศรัทธาข้อที่เธอพึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินธบาเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดและไม่มุ่งหวังเนกามทั้งหลายอยู่อย่างนี้จึงสมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตร ซึ่งออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัท ธ, ธาพระผู้มีพระภาคผู้สุคสศาสดาครั้นตรัเวยากรณภาสิณนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า mm. เมื่อไรเราจะได้เห็นท่านนันทะอยู่ป่าเป็นวัดนุ่งห่มผ้าบางสุคุนเป็นวัดยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโภชนะที่เราคนกันไม่มุ่งหวังในกามทั้งหลายต่อมา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 ติดสูตรว่าด้วยพระติสสะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเขตครุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระติสสะผู้เป็นโอรสของพระปิตุชาของพระผู้มีพระภาคก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งเป็นทุกข์เสียใจหลังน้ําตาอยู่ณที่สมควร ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระติสสะดังนี้ว่าติสสะทำไมเธอจึงนั่งเป็นทุกข์เสียใจหลังน้ำตาอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจริงอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายได้รุมว่ากล่าวเสียแทงข้าพระองค์จริงอย่างนั้นติสสะเธอเป็นผู้ว่ากล่าวเขาฝ่ายเดียวแต่เธอไม่อดทนต่อถ้อยคาที่เขาว่ากล่าว ข้อที่เธอเป็นผู้ว่ากล่าวเขาฝ่ายเดียวแต่ไม่อดทนต่อถ้อยคาที่เขาว่ากล่าวนั้นไม่สมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรซึ่งออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาข้อที่เธอเป็นผู้ว่ากล่าวเขาด้วยและอดทนต่อถ้อยคาที่เขาว่ากล่าวได้ด้วยนั่นแหละจึงสมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรซึ่งออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณะภาษิทนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเธอจะโกรธทำไมอย่ากโกรธเลยติสะความไม่โกรธเป็นธรรมประเสริฐสำหรับเธอแท้จริงบุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็เพื่อกำจัดความโกรธความถือตัวและความลบหลู่คุณท่านติสะสูตรที่ก้า 10. เทระนามกะสูตรว่าด้วยพระเทระนามกะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลวัน สถานที่ให้เหยื่อกระแตเข่กรุงราชครึกสมัยนั้นพระเทระนามกะมีปกติอยู่ผู้เดียวและมีปกติกล่าวสรรเสริการอยู่ผู้เดียวเธอเข้าหมู่บ้านบินทบาทผู้เดียวกลับผู้เดียวนั่งในที่รับผู้เดียวและอธิษฐานจงกรมผู้เดียวลำดับนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรดดวกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเถระนามกะรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้มีปกติอยู่ผู้เดียวและมีปกติกล่าวสรเสริญการอยู่ผู้เดียวลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุ เธอจงไปเรียกเถระนามกะตามคำของเราว่าท่านเถระพระาศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระเถระถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านเถระพระาศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าท่านพระเถระรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งนาทีสมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านเทระดังนี้ว่าเทระได้ยินว่าเธอมีปกติอยู่ผู้เดียวและมีปกติกล่าวสรรเสริญการอยู่ผู้เดียวจริงหรือจริงพระพุทธเจ้าค่าชนไนเธอจึงมีปกติอยู่ผู้เดียวและมีปกติกล่าวสรรเสริญการอยู่ผู้เดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ ข้าพระองค์เข้าหมู่บ้านบิณฑบาตผู้เดียวกลับผู้เดียวนั่งในที่รับผู้เดียวอธิษฐานจงกรมผู้เดียวข้าพระองค์มีปกติอยู่ผ si ู <t <t <t ้เดียวและมีปกติกล่าวสรรเสริญการอยู่ผู้เดียวอย่างนี้การอยู่ผู้เดียวนี้มีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่การอยู่ผู้เดียวของเธอเป็นอันบริบูรณ์โดยพิสดารกว่าด้วยประการใดเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดีด้วยประการนั้นเราจะกล่าวท่านพระเทระทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าการอยู่ผู้เดียวที่บริบูรณ์โดยพิสดารกว่าเป็นอย่างไรเถระในเรื่องนี้สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ละได้แล้วสิ่งใดยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็สละเสีย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 ไม่แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงได้แล้วหลุดพ้นแล้วในเพราะธรรมเป็นที่สิ้นตันหาว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวเทระนามกะสูตรที่สิบจบ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 กำลังเดินมาแต่ไกลจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นภิกษุผู้ขาวโปร่งจมูกโดง่งกำลังเดินมานั่นหรือเห็นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุนั่นมีฤทธานุภาพมากอันหนึ่งสมาบัติที่เธอไม่เคยเข้าเธอก็เข้าได้โดยง่ายเธอได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบบรปชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคผู้สุขศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภพาสิณนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่ประัตรจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียร พ, พร้อมด้วยวิชาและจรณะ จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ดวงอาทิตย์ทรงแสงเจิดจ้าในกลางวันดวงจันทร์ทรงแสงเจิดจ้าในกลางคืนกษัตริย์ผู้ทรงเครื่องรบย่อมสง่างามพราหมณ์ผู้เพ่งฌานย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพตลอดทั้งวันและคืนมหากรกปินสูตรที่สิอ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 อารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเคครุงสาวถีครั้งนั้นภิกษุผู้เป็นเพื่อนกันสองรูปซึ่งเป็นสัตว์ทวิหาริกของท่านพระมหากัปปินะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเธอทั้งสองกำลังเดินมาแต่ไกลจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรามว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นภิกษุผู้เป็นเพื่อนกันสองรูปซึ่งเป็นสัตว์ทีวิหาริกของพระมหากัปปินะกำลังเดินมานั้นหรือเห็นพระพุทธเจ้าค้าภิกษุสองรูปนั้นมีริธานุภาพมากอันหนึ่งสมาบัติที่เธอทั้งสองไม่เคยเข้าเธอทั้ง 2, สองก็เข้าได้โดยง่ายเธอทั้งสองได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์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 สัตธรรมของเธอทั้งหลายเทียบเคียงได้ในธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศแล้วเธอทั้งหลายอันกับบินะแนะนำดีแล้วในธรรมที่พระอริยะเจ้าประกาศแล้วชนะมารพร้อมทั้งกองทัพได้ทรงไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้ายสหายกะสูตรที่ส2องจบพิคุสังยุตจบบริบูรณ์ รวมพระสูตรที่มีในสังยุทธ์นี้คือ 1. โกริตะสูตร 2. อุปติสสะสูตร 3. คตะสูตร 4. นวสูตร 5. สุชาตะสูตร 6. ละกุลตกะพัทธิยะสูตร 7. วิสาขะสูตร 8. นันทสูตร 9. ติสสะสูตรส0 เทระนามกะสูตร 11. มหากปินะสูตร 12. สหายกะสูตรนิทานวักที่สองจบรวมสังยุตที่มีในนิทานสังยุตนี้คือ S 1. นิทานสังยุต 2. อภิสมะยะสังยุต 3. าทาตุสังยุต 4. อนามตักะสังยุต 5. กระสปะสังยุต 6. ลาภสักการสังยุต 7. ราหุละสังยุต 8. ลักษณะสังยุต 9. โอปัมมะสังยุต สิบพิกุสังยุตรวมเรียกว่าวักที่สองนิทานวักสังยุตจบบริบูรณ์